เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควานช้างพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุผู้เคยเป็นควานช้างรูปหนึ่งได้ยินว่าวันหนึ่งภิกษุนั้นเห็นนายควานช้างฝึกช้างอยู่และไม่อาจฝึกได้ตามที่ตนต้องการภิกษุนั้นจึงแนะนําให้ในายหัตถาจารย์ผู้ฝึกช้าง พึงแทงช้างอย่างนี้อย่างนี้แทงตรงนี้ตรงนี้มันย่อมสำเนียกโดยเร็วเขาสดับคำของภิกษุแล้วจึงทำอย่างนั้นก็ฝึกช้างตัวนั้นให้เรียบร้อยได้ภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลพระศาสดาพระศาสดาให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสว่าโมคคาบุรุษเธอต้องการอะไรด้วยยานคือช้างที่ฝึกแล้ว เพราะชื่อว่าคนผู้สามารถเพื่อที่จะไปสู่สถานที่ไม่เคยไปด้วยยานคือช้างหามีไม่แต่ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วยอมไปสู่สถานที่ไม่เคยไปได้เพราะฉะนั้นเธอจึงฝึกตนเท่านั้นเธอจะต้องการอะไรด้วยการฝึกสัตว์พหนะเหล่านั้นแล้วทรงตรัสพระคถาว่า ก็บุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปด้วยยานเหล่านี้เหมือนคนผู้ฝึกตนแล้วไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปได้ด้วยตนที่ฝึกแล้วทรมาดีแล้วนั้นไม่ได้อธิบายคำว่าทิศที่ยังไม่เคยไปคือพระนิพพานที่นับว่ายังไม่ได้ไป บุคคลผู้ฝึกตนผู้มีปัญญาไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปแล้วนั้นคือบรรลุถึงภูมิแห่งท่านที่ฝึกตนแล้วด้วยการฝึกอินซีอินซีย์22ประการคือรูปกับนามทรมานคือการอบรมฝึกฝนดีแล้วด้วยอริยมรรคภาวนาการฝึกตนเท่านั้นประเสริฐ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ